พระไตรปิดกฉบับประชาชนเล่มที่ยี่สสทัศกะเอกาทัศกะนิบาทว่าด้วยธรรมะที่มี10บข้อและ11อข้อเป็นสุตตันตปิฎกพระไตรปิดกเล่มที่24นี้ชื่อว่าเป็นเล่มที่ห้าหรือเล่มสุดท้ายของอังคุตระนิายคือหมวดแสดงธรรมะเป็นจำนวนโดยแสดงข้อธรรมะจำนวน10และ11อโดยลาดับดังต่อไปนี้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 วิมุตติญาณทัศนะความเห็นด้วยญาณถึงความหลุดพ้นแล้วตรัสว่าธรรมะเหล่านี้ย่อมไหลไปย่อมทำธรรมะได้เต็มเพื่อบรรลุธรรมะที่ยิ่งยิ่งขึ้นไปสำหรับพิกษุผู้มีศีลส่วนพิกษุผู้ทุศีลตรงกันข้ามพระสารีบุตรกับพระอานนต์ต่างแสดงธรรมแก่พิกษุทั้งหลาย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 ไม่มีความกําหนดหมายว่าธาตุสีเป็นธาตุสีไม่มีความกําหนดหมายว่าอารูปสีเป็นอรูปสีไม่มีความกําหนดหมายในโลกนี้โลกหน้าว่าเป็นโลกนี้โลกหน้ารวมทั้งหมดเป็นสิบข้อแต่ก็ยังมีสัญญาคือความกําหนดหมายว่าความดับภพบเป็นนิพพานหรือภวะนิโรโทนิพพานัง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 วรที่สองนาถการณาวรว่าด้วยธรรมะอันทรรมที่พึงตรัสว่าภิกษุประกอบด้วยองค์ห้าเสพเศนาสนะคือที่อยู่อาศัยอันประกอบด้วยองค์ห้าก็จะพึงทำให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะโดยการไม่นานคือหนึ่งมีศรัทธา 2. มีโรคน้อย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 หข้อคืออุปทานนขันขันหรือกองแห่งรูปนามที่คนยึดถือ5ประการหข้อคืออายตนะภายใน6มีตาเป็นต้น7ข้อคือวิญญาณทิฏฐิ7 8 ด, ดข้อคือโลกธรรม8 9เกข้อคือสัตตาวาส9 10สิบข้อคืออากุสลกรรมบท10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 ตรัสแสดงอำนาจประโยชน์สิบประการในการที่ทรงบัญญัติสิกขาบทและเรื่องทางพระวินัยอื่นๆเช่นการชักเข้าหาอาบัติเดิมจนถึงสังฆเภทสังฆสามคัคคีเป็นการตรัสชี้แจงแก่พระอุบาลีร่องกับที่มีอยู่แล้วในวินัยปิดกวรที่หอาอโกสวัรคว่าด้วยการด่า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 ผู้รู้พิจารณาแล้วติเราโดยศีลได้หรือไม่ 6. เราจะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งสิ้น 7. เรามีกรรมเป็นของตัวจะเป็นผู้รับผลของกรรมดีชั่วที่ทำไว้ 8. วันคืนล่วงไปล่วงไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่ 9. า